บอกกันชวนกันไม่ใช่สอนนะการสอนสอนให้จำการบอกได้บอกให้ทาถ้าไม่ทาก็ไม่เสร็จไม่แล้วสักทีไปไม่ถูกที่ถูกทาง การบอกได้สำคัญนะยังหูฟังให้ดีๆใชไหมหนึ่งนะนั่งรถไปเชียงใหม่แก่หลวงพวกกมม่อกรมเมนมีเครื่องเดด้ามีดาวเทียมบอกเราไปจากพิจโลกจะไปเมืองเกิดชายบางเพ่ รดมันเลี้ยวไม่ถูกมันจะไปสุขโขล่ถยมันก็บอกว่าผิดแล้วเลี้ยวขวต้องเลี้ยวมันบอกต้องกลับไปมาเลี้ยวไปทางขวาจึงไปถึงจุดหมายปลายทางมันนี่ก็เช่นกันจะไปเชฟูมคนกับรถลงหน้าผาไปรถไม่ทุกครับขึ้น ถ้าไม่กลับก็ไปไถูกใจบงเนิ่นช้าเสียเวลาต้องไปจังโครถึงกลับปฏิบัติคือบอกก็ต้องกลับแต่ว่า <c oughs> สำกัดที่สุดคือเราน่อเป็นผู้กลับถ้าบอกแล้วไม่กลับมันก็ไม่มีประโยชน์ตอนไหนมันหลงกลับมาให้ลงรู้สึกทวน ถ้ากลับอย่างนี้ไปถูกก้มหลงก็อาจจะเป็นขั้งสุดท้ายด้วยเรื่องทุกข์กลับมาเห็นเหมือนทุกข์ขั้งที่หนึ่งอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่กลับไปบ่อยนั่นก็แทบจะไม่มีความทุกข์เพราะมันเคยชินมันเห็นแล้ว มนเห็นนี่ยสมกันเห็นโดยค ว, ความรู้จึกตัวเห็นจากสติเนี่ยไม่ใช่เห็นจากตามันผืนไปไม่ได้ถ้าเป็นแล้วมันมันหมดไปแล้วถ้าจะได้ว่าชีวิตก็หมดไปแล้วชีวิตไปเป็นสุขคีวิตไปเป็นทุกข์เป็นเช่นนั้นถ้าจะไม่หลง ไม่เห็นหลงหลงก็ยังอยู่ไม่แล้วไม่เสร็จถ้าทุกยังเป็นทุกอยู่ไม่เห็นทุกทุกก็ยังมีอยู่อีกไม่แล้วไม่เสร็จอะไรก็เหมือนกันหมดมีความผิดมีความถูกมีความผิดไม่เห็นมันผิดไม่กลับมาเห็นใช่ไหมก็ยังผิดอยู่มันง่วงไม่เห็นมันง่วง เปนผู้ง่วงไปเลยโอ้ง่วงอยู่นั่นตรอดเวลาถ้าเห็นมันเนี่ยให้มันชัดตรงที่มันจะเป็นให้เห็ น, นตรงนี้ให้สีแรงสักหน่อยนั่นจะเป็นขั้งสุดท้ายแล้วเริ่มรังเลสงสัยริมห่วงงห อ, หนอยนอน รวมสำคัญมันหมายอะไรต่างๆที่มันเป็นไปจนจบเรื่องจบราวมันมันก็ยังไม่เสร็จได้เห็นแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติโต้โต๊ดดังแรงซหน่อยไม่ใช่ผิดแล้วเสียงขามผิดมันก็ดังถ้ามีสติ เสียงความถูกของก็ดังเสียงความสุกความทุกข์มันก็ดังแต่ถ้าไม่มีสติด้านนะตรงนี้นะแต่ด้านสักหน่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดังนะแล้วไปเฉล้วยแสดว่าหลงสุขสุขหลงมันเงียบไม่ได้ยินมันก็เลยไปแล้วสักที เมื่อไม่เล้วงการงานก็นยุ่งเหยิงสับสนอนาภุลาจะกรรมมันตาการงานยุ่งเหยิงสับสนไม่เสร็จไม่แลี้ยสักทียังมีอยู่หลงจนตายทุกจนตายโคจนตา ย, ายโง่วงนอ น, โนโตุ่งสัน่นตั้งเลี้งสงเป็นอยู่ขนามันก็ต้องจบเป็นน่ะให้มันแล้วมันแล้วอย่างนาี้ แล้วได้ปฏิบัติมันชักซิดใคยพูดแล้วพูดอีกจึงชวนกันทำให้กันก็ไม่ได้กรชวนกันเราถ้าเราหลงใครก็เคยหลงแล้ว เ, เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงใครก็เคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ยังเราเปลี่ยนนอย่างเวลามันหลงเวลามาันุกเวลามันทุก ถ้าเรื่องไม่เปลี่ยนก็ไปไม่ถันเขาแล้วถ้าจะเอาอย่างคนอื่นก็อเอาอย่างนี้แนะคนอื่นเขาก็เปลี่ยนหลงก็ไม่หล ง, ลงเปลี่ยนทุกไปไม่ทุกเขาทําอย่างนี้กันเร<ล>าตามรอยยุขคนบาดตามรอยพระเจ้าตามรอยเหล่าพระสาวกยังมีรอยให้เราเห็นอยู่ไม่จนบอกผิดบอ ก, บอกถูกแก่เราโดยเฉพาะถ้าเราปฏิบัติเนะี่ย มันเป็นโกบเป็นกคำขึ้นมาจริงๆเมื่อมันทํามันก็แก่กล้าแก่กล้ทนทนไม่เปะมางยากที่จะหลงถ้ามันเปะมางหลงเป็นหลงมันอ่อนสติอินทรีย์มันอ่อนให้หลงเป็นหลงมันอ่อนมันขาดไปแล้วเหมือนยอดไม้ มันขาดแล้วก็โก้ขึ้นไปมีอะไรสัมผัส ด, ดีก็ขาดไปอ่อนอยู่นั่นตลอดเวลาให้ทนทนสักหน่อยมีเยอะยะหาอุบอายที่จะต้องให้หมันเชื่อมแข็งสี่เพด้อมที่ดีมีสิ่งกำบังมีความเห็นชอบไว้มีศรัทธาไว้ มีความเพียรม่สติมีความตั้งใจมั่นเอาไว้เป็นสิวัลลองของบินสี่หรือพลังแนวร่วมห้าอย่างหอย่างก็ไม่โปะบางไม่ขาดง่ายหลายอย่างที่เราจะเลือกมาใช้ที่เราจะหามาใช้เอากายบ้าง ควาเพียรบ้างมีศรัทธาบ้างมีสมาธิบ้างมีปัญญาบ้างปัญญาต้องแทรกของทุกพื้นที่มองแง่มองสองแง่สงมุมอย่าเพิ่งด่วนลบเจอะเพิ่งด่วนปฏิเสธรอไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจผลผนพั น, น, นแล่น สู้วามเกินไปยับจังชังกิดดูหนะ้าดูหลังไม่แต่คิดก็ดูเช่นก่อนจะพูดก็ดูเช่นก่อนทำก็ดูเช่นก่อนจนมันค้่องแข้่วชํิชํานาลมันจะเข้มแข็งและเป็นศินลปะเธยทน มันก็จะทนเล่ยไปถ้าไม่รู้จักทนเขาจะอ่อนแ่เลื่อยไปบางทีก็ไปม่ลอดนะเช่นพวกเราที่อยู่ที่นี่มันอยู่ปลายปลายสายไปไปลายสายกว่าจะมาถึงเราก็ก็ไม่ค่อยจะ แข็งแ่งแล้วยิ่งใช่เครื่องใช่ฟฟ้าก็เสียหายง่ายโดยเพราะเครื่องสูบน้ำมันทำให้อ่อนเดีลวาหมุดหมนเนี่ยมอเตอร์มันมีไฟแกนไฟมีโปกไฟไฟมันดูดก็หมูนมันมีแรงไฟก็หมุนเร็วหมุนเร็วมันไม่เสียง่ายล้ว ไปมันอ่อนก็หมุนช้าหมุนช้าไปก็เบียดก็ชดไปเลยเลยเพราะเครื่องสูบน้ำมันช้าสติเมื่อมันช้าไอ้ไหวไม่หัดให้มันไหวมาไวๆ ม, ม, มันไม่ไปหวสติอันสุดก็หลงเป็นหล ง, ลงอยู่เช่นนั้นส้มใหม่ส้มทีหนึ่งก็ต้องหลายหลายครั้งโดยมันจะหลงเป็นลูก <c oughs> เดิลูกก็ไม่ชำนิชำนาญสักทีอาจจะชมนานในความหลงมีส่วนที่จะทำให้เราสะดวกมีส่วนที่ทำให้เราไม่สะดวกถ้าเรารู้จกด้อยแ ก, ก้หรือทำอวิยะโสอดสนะ่องเอาบยอะไรต่างๆ เช่นความ่วงถ้าเราไม่มีอุบายอะไรเลยมักจะสู้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เดินตาไมไปขึ้นหมดเลี่ยงหมดแรงก็ได้ถ้าเราสู้สักหน่อยอุบายออื่นบางอย่างไม่ต้องสู้นีอุบายออื่นไปก่อนทิ้งไปก่อน นั่นสิ่งที่มันทิ้งนั้นกลายเป็นเรื่องดีอย่าไปเอามาเป็นพลาดละทำอื่นไปก่อนเช่น <c oughs> มันง่วงอย่าไปสู้กับพวกม่วงโดยตรงทมามันอื่นเบนออกไป มีตาก็ดูออกไปไม่หูก็หรือมีใจก็คิดออกไปชักหน่อยก่อนคิดตลกตลกชักหน่อยก่อนคิดดีๆชักหน่อยก่อนหรือแผ่เมตตาตั้งใจคิดถึงคุพ่อคนแม่คิดถึงขุณพพุทธพระธรรมพระสงฆ์แผ่เมตตาอะไรชักหน่อยก่อน ให้มันอก อ, อกไปอบายหลายหลายอย่างนำมาใช้เครื่องมือในการที่ต่อสู้กับปัญหาต่างๆเช่อน <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้ามารมารมาไล่หนีจากต้นสีมหาโพธิ์ เราว่าเป็นของเขาเจ้าก็บอกว่ามางก็บอกว่าอะไรเป็นหลักฐานที่ว่าเป็นของของท่านอะไรเป็นหลักฐานเจ้าก็พูดว่าขี้เสียแผ่นดินเราดั่งอยู่นี่ไม่เห็นใครมาอยู่มาที่แรกไม่เห็นใครมาอยู่จะหาคนเป็นเพื่อนสักคนไม่มีเลย ขี้ลงไปใช้แผ่นดิเ น, นี่ยแผ่นดินเนี่ยรู้จากเราเรามานั่งอยู่นี่ไม่เคยเห็นท่านเรามาปูยาคาลงตรงนี้ไม่ไมีใครเป็นเจ้าของ <c oughs> แผ่นดินเนี่ยเป็นส ก, กีพยานแกเราดูซิต้องมีความแยบยลายๆ ห, หลายอย่ยางที่จะมา น่าจะว่าต่อสู้สู้สสเพื่ออิสรภาพเพื่อความเป็นธรรมไม่กับชีวิตเรอกม่นสนุกนะปฏิปธรรมผิดก็เป็นเรื่องสนุกไปเลยจะว่ายังไงทุกข์ก็เป็นเรื่องสนุกไปเลยเจ็บก็เป็นเรื่องสนุกไปเลย หรืมันจะตายก็เป็นเรื่องสนุกไปเลยนะทิ้งมันเลยการเอาทิ้งมันดีนะเช่นครื่งเก็บทิ้งมันไปซะหมดเอาไว้ก่อนหรือมันใช่มันได้เราทิ้งไปก่อนอาหายใจไม่ได้เอาทิ้งไปทิ้งไปก็ทิ้งจก่งๆนะไม่ได้รู้สึกว่าหายใจเรา นานเท่าไหร่ไม่รู้น้าหายใจช้าหน่อยกันนะ่ะหายใจกันนิดหน่อยก็ไม่ได้เทิ้งอีกทิ่งไปทิ่งมามันกลายเป็นเรื่องดีแนละ้วผลที่สุดมัก็ใช่ได้การออาทิ้งนะ่ะในลักษณะของความยากความงไายเอาทิ้งดูสิมันจะใช่ได้ความยากก็ใช้ได้ควงมง่ายก็ใช่ได้ สะดวกในความง่เกลงยากก็สะดวกในความไม่ยไม่ยากสะดวกในความไม่ยากเกลืผิดก็สะดวกในความไม่ผิดเกลืถูกก็สะดวกในความไม่ถูกหัหลงก็สะดวกความไม่หลงปัญหาก็สะดวกในทางถ้าไม่เกิดปัญญานะปฏิบัติเท่านั้นมัน มีกันลยาณธรรมกันลยาณามิตรครบบันดิตครบคนพานอยู่ในตัวเราน่นหะ้ะเลือกครบได้กันยาณามิตรคืออะไรแต่พูดแล้วพูดดีความหลงไม่เป็นธรรมขมไม่หลงเป็นธรรมแยบคายที่ถด ขี้ลงไปมั่นใจลงไปอย่าทาผิวๆเพลินๆมาไม่ใช่สมผีสมมารูรู ป, ร ป, รปความความไม่ชัดไม่เกณฑ์สัมผัสให้มันชัดเกณฑ์น่ะหลงไป็นไงไม่หลงเป็นยังไงกวนทุกข์เปยังไงก็ไม่ทุกข์เป็นอย่างไรแค่มันชัดเกณฑ์ให้สัมผัสสัมผัสใี่สําผัสเนะ ปฏิบัติธรรมเนี่ยสัมผัสไม่ใช่เกี่ยวกับรูปธรรมนามธรรมเราฝึกอยู่นี้มันฝึกนามธรรมาแต่อาศัยรูปเป็นนิมิตเป็นเป้าหมายเป็ิทตัต้งแต่มุ่งไปสู่นามธรรมาเช่นเราสร้างสติเนี่ยกอทีแรกก็ดูกายไปต่อไปต่อไปมันไม่ได้สนใจเรื่องกายหรอก มันค่อยจะดูที่มันอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นว่ามันจะค่อยรูปไปโน่นแม่แต่มันคิดเราก็ไม่เด็ดไปดูมันดูกายแล้วเน่นไปมาเห็นความคิดนี่ยเห็นอะไรต่างๆที่เกิดจากความที่เป็นนามธรรมเห็นชัดกว่เห็นกายอกสิทิ์ถ้าจะพูดถึงตัวหยาบตัวหนักที่สุดคือมันคิดนะั่นนะเป็นกรรมตัวนหนึ่งหมายเลขกหนึ่งนะมันจะเห็นชัดกว่า การเคลื่อนไหวนี่การเคลื่อนไหวมันก็เป็นของเปลกเปือ ก, อกถ้าเป็นกรรมก็เป็นจมเหลยถ้าเป็นจมเหลยจมเหลยที่สงที่สาโ น, น่นจมเหลยหมายเลียกหนึ่งคือหนัง ม, มัทอมเป็นความคิดมันเกิดจากความหลงเป็น เ ม, มื่อคิดแล้วจึงมาเป็นคำพูดเมื่อคิดแล้วจึงมาเป็นการกระทาในความคิดที่มันหลงคิดขึ้นมามันจึงเป็นอกุศลขอเที่ยมบริเวการแสดงออกเป็นปรับ เป็นตัวบทกฎหมายนานทำปรับตั้งแต่รูปแต่วาจาแต่กายแต่วาจาอันจิตใจไม่ได้ปรับแต่ตัวการมันอยู่ที่โลแเราปฏิบัติทำอะจับต้นตอตรงนี้ได้เห็นตัวที่มันคิดเห็นที่มันหลงมอเกิดอะไรขึ้นมาเบิบันดีเลย มันจะผิดได้ไงว่ามันคิดขึ้นมาก็รู้แล้วมันจะขยันตรงนี้ล่ะง่ายๆตรงนี้ล่ะอันนีว่าปวดขาปวดแขนเมื่อยนู่ไมล้านู่งหงตอนจะไม่ค่อยมีนะเมื่อมาดูภาวะที่เข้าไปดูด้านในเห็นหนามธรรมในเข้ายมันจะมันจะเป็นเรื่องที่ ประเมินผลน่าแล้วได้ทําแล้วมันก็แล้วมันก็แล้วทำอย่างนี้มันแล้วไปอีกหลายอย่างเพียงแต่เห็นมันคิดกายก็ไม่ได้ทำํำราชาไม่ได้พูดไม่ได้เป็ น, ไ ม, ไ, ปนไม่ได้เป็นกรรมสังกายทางราชาเพราะมันเห็นตัวนั่นตัดทนตัดนะ้ ตัดใเสียดต้นลมพูดไม่ถูกตัดใบต้องเจอต้นลมเลย <c oughs> <c oughs> นั่นก็ไม่ <c oughs> ไม่รู <c oughs> ้ล่ลามนั่นเลยง่ายง่ายนะอะการทำแบบนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยบ่านเราเจะยกมือสร้างจังหวะเขาจะเดินจังกมก็เป็นเรื่องของคนอื่นไป แล้วเนอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ตามอันรูนี้เป็นกิริยาเฉยๆส่วนที่เหมือนกรรมมันคือนามธรรมานอนในเป็นการสะดวกไม่ต้องหาสถานที่นะแกนอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีอริบุตรที่เป็นนามธรรมานะ่ย ถ้าเราได้จับหลักนี้เรียแล้วเนะี่ยนี่แหละคือชีวิตจะได้ชีวิตแล้วันชีวิตกำมือเดียวละ่ะกำมือเดียวจริงจริงแล้วไม่ไม่อ ไ, ไ, ไม่มากอไม่มากเหมือนพระเจ้าว่ากำมือเดียวเปรียบเทียบไปไหมในป่ากับใบไหมกำมือในกำมือของพระเจ้าอืคือมัน มันเสร็จเห็นก็เสร็จแ ม, ม, ม่ตามีามีตาเห็นรูปเห็นเราก็สุดหมูมีเสียงก็ได้ยินเสียงเห็นเสียงเราก็จบได้เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยเป็นฐานเป็นฐานตาก็เป็นจิริยาหมูก็เป็นจิริยากายก็เป็นจิริยาไม่มีกรรม แต่ก่อนกายคำสามวิชีกรรม4มโนคำสามเรียกว่ากุศินเรียกว่ากุศลกรำมวด10ต้องรักษาต้อง ใ, จใจส่ใจเหมือนกับไปเล่าให้ฟังคง5ทาชี้คง1ิบี้คงแปดชี่ กัที่สุดคงที่เดียวอยู่หมัดเลยก็เลยสลุก ป, ปฏิบัติธรรมมันสะดวกไปหน้านะเมื่อจะเปลี่ยนกลับมาที่แรกก็ต้องทำไปก่อนมีกรรมนีที่ตั้งมีการกระทาถ้าเป็ น, ปน่างนี้มันต้องเสร็จแน่นอน เมื่อคนทํางานไม่งานงานต้องทําเวลาทํางานไม่ใช่ใชเพียงแต่พูดว่าทำงานไม่ใช่อย่า ง, างนี้เรื่องเดียวเวลาทํางานเกิดอะไรขึ้นในขณ ะ, ะที่ทํางานหรือเมื่อกเราเดินทางกานเดินจากนี่ไปนูน่นพูดอย่างนี้ดูแผนที่อ่านจากเราจะเดินไปถึงกี่กม จานี่ไปนี่เป็นคำพูดแต่เวลาเดินมาเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้ น, นเวลาเดินนั้นเหนื่อยเมื่อยละแมดร้อนฝนตกหนาวแดดออกก็ร้อนหิวก็หิวปวดก็ปว ด, ปวดหาปวดเฉดเมืนวันแรก นอนพักอาจจะลุกไม่ขึ้นวันที่สองต้องต่อไปอีกมาจจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นผิวหนังที่ตากแดดก็หายหายล้นมันปรับตัวได้แต่ก่อนยากเหนื่อยก็ยากแดดออกร้อนก็ยากฝนตกหนาวก็ยาก มองหน้ามองหลังพักผ่อนก็สบายดีทำไมจึงเดินอย่างนี้ทำไมมาขึ้นรถบองทีก่อสารพัดที่จะเอาอ้างหรือคนทนํานาไถนาปักดำนาฝนตกหลังสู้้าหน้าสู่ดิน เอาสันหลังใส่สเสียงแดดเอาสันหลังใส่ขนเวลามันามาถูกแดดเป็นไงเวลาถูกขนเป็นไงมือก็ไม่เยอยู่นิ่ ง, งต้องจับต้นก้ามาปักบางทีท้าหัวไม่มือนี่มันแฉงก็ต้องเก็บไม้มือนิ้วมือเล็บมือต้องออกงั้นปักดินแฉงแฉงไปถู หอยถูหนามถูกอะไรต่างๆทั้งมือทั้งขาน้ำกัดเท้าเป็นผืนนป่วยเก็บปวดสารพัดอย่างนั่นเป็นเรื่องที่จะทำให้อามาอ้างไม่ได้ถ้าเอาสิ่งนั้นมาอ้างทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเอาขมมุ่งมาอ้าง เราความคิดนะอ้างอาจารย์นั่นเป็นอย่างนี้อาจารย์นั่นนี่เป็นอย่างนั้นชอบอย่างนั้นอ่างนี้ไม่ถูกที่ใชกับเราอย่างนั้นถูกกันไม่ใชกับเราน่าจะเป็นอย่างนั้นไปหลายหลายอย่างเอาเรื่องอื่นมาประกอบนี่ก็เรียกว่า งานไม่เฉื่อยเลยจะกลายเป็นยังไงก็ตามเราจะต้องมาเจริญสติก็เจริญสติเรื่อยไปไเวลานี้ไม่ใช่หมาคิดเอาคอาเอะไรมาอ้างเพื่อให้หยุดการจเจริญสติถัดไปก่อนจะคิดอะไรจะทําอะไรเกิดขึ้นรู้ไว้ก่อนไม่ยุ่งจั ก, การก็ก็โอสติมาลายุงได้ งา น, นปวดขาย่าพลิกข้างซ้ายข้างขวามีสติให้ปวดไปให้มีสติการเปลี่ยนนิบุตรไปกับสติไม่เอายากไม่เอาง่ายไม่ลำบากไม่เออสะดวกรเรียบเทียบคนนั่งไม่ทนคนนั่นนั่งทนเก่าไม่ดีขาไม่ดีเอวไม่ดีประสาทไม่ดีสารพัดอย่างที่จะอ้าง เพื่อเข้าข้างตัวไม่ทุองอ้างเงินละท้ายทายเว็นใจเชืเ่อมแข็งจะหน่อยหัดใ้เชืเ่อมแข็งก็เชืเ่อมแข็งนะจิติเนี่ยหัดให้อ่อนแอก่อนเดจิตติเนี่ยถ้าชิงบป ร, ร่อมมาดีก็งอกงามระยะจึงสนุกสนุกไป องเดินดูสิจกยี่สิบวันดูสิเป็นยังไงหาเคยเดินวันแรกเนี่ยขาแตกเลยโคนขาแตกเพื่อนไม่เป็นไรขอบอกกันมาโอ้ข อ, อพอพักสักหน่อยก่อนเดินไม่ไหวแล้วแสบคุกขาหมดแล้วขาแตกก็เพื่อนก็หัวเราะพัก หาที่พักหาป่าประกพอพักแล้วก็ดูกระดีกไม่ได้แสบมันแตกแรืมันน้มเหลืองมันแห้งแล้วมันติดเวลาจะลุกไปโอ้ยเกบ็บเก็บไปไหนไหน้อนีไ่ไหไหมนยเก็บเยอเกินเก็บเยอเกิ น, ก เ, กนเอาความเก็บไม่ไหวกระไม่ได้ไป ลูกขึ้นวันมาก็เดินไปเก็บเก็บเจ็บก็ทนไปเจ็บทนไปเอาไปมามันก็เข้มแข็งไอ้ข้อมเจ็บมันก็ยังเข้มแข็งไม่มีแผลที่มันขาสีกันนะแต่ก่อนก็ว้นกว่านี่แล้วก็สีกันก็เจ็บนะเอาไปมามันก็ด้านของมันเองนะด้านของมันเองแล้วนั่นแหะนี่ ถ้าเราใช่มันโดยก็มีกำลังใจเข้าไปสู้มันน่มันไม่มันไม่เก่งขนาดนั้นขิเลสพันนาตาปา1น8มันสารภาพได้เข้มแข็งขน่อยสักกายทิตฐิมิจิจฉาชีพตะพระมานมันไม่มันไม่ภาษาอะไรนั่นละน่าจะชนะได้ ดานแรกเลยนะเนีตั้งแต่กายานุัสสนามีสีเห็นกายก็หมวกรวบบกายสพาวะกายไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนโลกขอยากเหลอไม่ใช่อยากเป็นสักการะทิฏฐิเป็นตัวเป็นตนเอาความยากมาเป็นความยากเอาความง่ายมาเป็นความง่าย เอาความผิดควมถูกมาเป็นความผิดควมถูกดองดูชื่แอบคายนะเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทิศทางเบื้องต้นให้มันชัดเจนซะหน่อยเอานาะมันจะไม่ยากมันจะสะดวกนะไมื่อ จ, จะแสดงถึงความยากมันก็ไม่ยากมันไม่ออก ไม่ไหวเป็นตัวเป็นตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปอย่างนั้นเราไปอย่างนี้กูชอบกูไม่ชอบหงายหมดเลยตั้งแต่ด่านแรกเลยตอนนั้นแต่ไม่จะไม่เป็นแบบมาได้อย่างพระแต่ที้บุคคลเบื้องต้นนะ่ะมันด่านจริงๆนั่นเนี่ยมันตรงเข้าไปตรงนี้จริงๆนะ กายานุปจนาสติปัฏฐานเดชเวทนานุปสนาสติปัฏฐานกิตานุปจนาสติปัฏฐานหมดตัวเลยจับไม่จับได้ไล่ทันเลยจะทิ้งที่มันเป็นตัวเป็นตนน่ะมัดจูเลยนะใส่ใจมีความเห็นทำในใจให้แยบใายเหมือนพู้เจ้าแสดงไม่จงหน้า มันจะไม่ผิดมันจะไม่ยากไม่วุ่ไม่วนนะมันจะแต่งกี่ครั้งกี่คนเรื่องกายนะมันจะแต่งอะไรที่มันเคยเป็นตัวเป็นตนทิฏฐิมานะมันจะไปไม่รอดหรอถ้าเราได้หลักสามอย่างน่ยตายานุรัจนาเวทนาอย่างนุปัจนาจิตตานุปัจนาอนะไนี่ขออยากขออยากเป็นเพื่อนตรงนี้ ใครก็เหมือนกันนั่นหละไม่ต่างกันหรอกแต่เป็นนักบวด จ, จะเป็นคร ว, ว่าจะจอมจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนหนุ่มคนแก่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดล่งถ้าจะเอาทำผิดก็เหมือนกันหมดถ้าจะทำถูกก็เหมือนกันหมดไม่ใช่คนละอย่างคมเห็นผิดก็เหมือนกันหมดกวมเห็นถูกก็เหมือนกันหมด ตรงที่หลงไม่หลงก็เหมือนกันหมดตรงที่หลงเป็นทุก เ, เป็นคนหลงก็เหมือนกันหมดไม่ต่างกันแต่เราจะจัดการกับตัวเราอย่างไงเป็นเรื่องของเราต่างหาที่เราต้องพัฒนาชีวิ ต, ตรองตนเองทําเองง้นสนุกทํานะ กรรมฐานเป็นการที่ทําที่ชอบที่สุดมันเฉดจนกอบกันกคำไปจริงๆนะมันจอยไม่มีอะไรจริงๆความยากความง่ายความเกลียดความถูกความสุกความทุกข์สมหวังไม่สมหวังอกหักอ ก, อ ก, อ ก, อกใจเสียใจอะไรต่างๆามุมดเลยนะมีแต่ภาวะที่ไม่เป็นอะไรครับอ่อะไร ชีวิตไลสะดวกเป็นชีวิตที่สุดยอดงานมันเจ็ดงานมันเจ็ดก็จะเป็นเช่นหลังมีสิธินั่งน น, นอนนอนเล่นก็ได้มีสิธิไม่นั่งไม่นอนจะทรมานยังไงก็ได้แค่สิธิอันชอบทมเกี่ยวกับกายกับใจ นี่ไม่ให้มีปัญหาไม่มีภาระจะมีโลกอยู่ในกี่โลกเขาตามเถอะถ้าได้ทำจบเรื่องนี้ไปแล้วก็วไม่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องแปลกที่ไหนก็ไม่มีเรื่องอะไรนี่คือปฏิบัติธรรมให้เราได้่ายใจสักหน่อย เวลานี้โอกาสนี้การนี้แหละหมะที่สุดชีวิตเราก็ยังไม่มีอะไรที่ขวางกันให้เราไม่มีความรู้สึกได้ยกมือขึ้นก็รู้แม่ที่โอาครู้จากกายก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับโมกกายที่มันเป็นเวชาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ มันเดียวกันหมดสติเป็นเรื่องกายสติเป็นเรื่องกิจใจอาการต่างๆเห็น <Hey, S 1> หมดแะดวกที่สุดแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอยู่ในกระมวยของเรานี่แล้วอย่าไปทอถอยนะอันนี้ก็รู้ชูกกันความ เอาไปทำถ้าใครหลงนั่นหละงานเรามีแล้วเปลี่ยนให้มันรู้เปลี่ยนได้ทุทกโอกาสจะดวกที่สุดเป็ียนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปเป็ยนสุขอะไรต่างๆมันสะดวกโกรการทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเหตุปจัจจัยอะไรต่างๆมันก็ทำงานทากวรนนั่นเอ น, นะ สมควรเจริเวลาต้วเราก็กราบพระพร้อมกัน